ธรรมะก็พูดอยู่บ่อยๆธรรมะของพระพุทธ <c oughs> <m im ma> เจ้ามีมากจนเราธรรมดาี่ไไดูธรรมะก็่เขียวหนึ่งอ ง, องพระพุทธเจ้ารู้รู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับหมาหาสมุทร <c oughs> รู้ทึงจะรู้มากขนาดไหนก็เพียงแค่เท้ากัตไยติดจิตลงในน้นมหาสมุทรจิตมาในเท้าของไตายกับเหลืออยู่นั้นมากน้อยเท่าไรขนาดนั้นกลบความรู้ของผู้ใจจากก็ความรู้ของชาววธรรมดาจิด <c oughs> กันมาก <c oughs> เราจะไปศึกษาเราเรียนเรียนของ ธรามะทุกสิ่งทุกอย่างให้จบเสียก่อนยังค่อยจะมาฝึกปฏิบัตินั้นมันไม่มีโอกาสเดลาที่จะฝึกภาวานาปฏิบัติจิตใจให้เป็นไปได้ยิ่งรู้มากเท่าไร่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจิตใจรุงคิดติดข้องในความรู้ของตัวเรารู้แเ้าพอใจอย่างนั้นอย่างนี้ มีคนมาตำหนิมินทานิดนๆหน่อยๆกับตาแดงขึ้นมาดูถูกเราหรือเราเรียนมาจบนักทำตีนักทำโทรนักทำอกเอกมหาบรีเน ต, ต่างๆเราเก่งแล้วมันเลยไปแบบนั้นที่มีมานะแบบยิงทิงอาศัยความรู้ส่วนนั้นมันได้ไปใหญ่การปฏิบัติกายใจไม่ค่อยดี คำนึงคำนวณมาหาเขีนว่าความรู้ในตำรับตำลากจะเป็นการป้องกันที่เหลืตัะหาได้มันไม่เป็นจริงอย่างนั้น <c oughs> ความรู้ที่เราศึกษาจากตำรับตำลานั้นก็ยกไว้เพราะความรู้ส่วนนั้นเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความรู้ของเรามันจึงไม่มีอำนาจข <c oughs> ับไล่ กิเลสตัณหาออกจากตายจากใจคนที่รู้จนสอบได้นักธรรมเอกสอบได้รเรียนเก้าก่อนสืบหาลาพทุทธออกไปพอจิตใจไม่เป็นไปตามสำหรับตารากิเลสตัณหามันไม่มีสำหรับตาํตารามาจากที่ไหนนั่งอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นได้การปฏิบัติเป็นการกําหนดใจการปฏิบัติต้องใช้สติ ที่เรณาภายในดูภายในใจของเราพวกคิดจิดข้องเรื่องอะไรตรวจตาํำระจิตใจท้องตัวอยู่สม่ำเสมอไม่ต้องไปรู้มากไม่เท่าไรถ้าหากปฏิบัติจิตใจข้องตัวให้เข้าถึงอาจถึงทำจริงจังมันก็เป็นผลเป็นประโยชน์ได้ได้รับความสุขความสบาย ในอาจในธรรมรู้มากขนาดไหนแต่ไม่ปฏิบัติกายใจของตัวให้สงบรังนับดับกิเลสภายในมันก็ไม่เกิดสาราประโยชน์ให้มีสมัยพุท ธ, ธากาลทางกล่าวถึงโภทรัตน์พิษุชเ่ยเรียนเข้าไปีิดกจบแล้วก็มีลูกสิดลูกหา ไปศึกษาด้วยเป็นจำนวนหาร้อยองค์ทุกวันจะส่องบงบอกแนะสอนลูกศิลูกหาในตำหรับตำลาในเอกค <c oughs> าถาแบบแผนที่ตัวเรียนมาได้ลูกศิลูกหัส ข, ของเคารพเรืเ่มใ้ศึกษากันไปตามครูตามอาจ า, ารย์ที่บอก ขันเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่แงสอนลูกตินลูกหาท้าพิสูจน์สามะเนนอยู่นั้นวันหนึ่งมีโอกาสาไปเฝ้าไปจ้าพ้าผู้ใจจา่าแทนี่จะสนเลเสริมกว่าเป็นผู้คงเจรยนรู้จบพระใจไปดกดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าองค์ในทรงสันนิเสริมแบบนั้นถ้าองค์ว่าโปริีนั หมายถึงตำลาเปล่าไม่มีอะไรจำได้เหมือนนกแก้วขุ้นทองแต่จิตใจเรื่องภายในเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นเคยเป็นไม่เคยทราบตราบแต่ชื่อของมันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาอิจาริมุติก็ดีแต่ในจิตในตัวของตัวเองนั้นเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่สารให้ขอพระเจ้าทง พูดทรงถามในที่ไปชุมสงว่าโพธิลัเทียงท่านได้ยินเท่านั้นเนี่ยท่านก็เกิดละอายในจิตในใจเออเรานี้ก็เข้าใจว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่ความรู้ก็ตจบกระต่ า, ตายปีดกมาท่านว่าโพธิลัพ ข, ของท่านที่จริงนั้นช่วยกิเลสตัณหาของเรามานะทิจจิของเรา ไม่เคยตกเคยหลุดออกไปทั้งทั้งที่เรียนสาหรับตำลามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ิดใจก็ยังโง่เ ง, ง่าเต า, าตุนรักะาตันหามานาชิตที่ต่างๆยังสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องทั้งทั้งที่เรียนมาแล้วแทนที่มันจะหายไปแจใจก็ยังลุ่มยังหลงยังสิดยังข้องยังฟุง้งยังคิดในสิ่งที่ผิด ท, ที่เป็น คิดเป็นภัยเป็นโทษแก่ตัวอยู่รักษาตัวไม่คุ้มรักษาตัวไม่ได้สั่นเกินละอายใจโดยไม่กลับไปสำนักเดิมหลบหนีผิดทั้งหลายเข้าป่าเพื่อจ ะ, สะแสวงหาอัตธรรมคือหาความจริงที่มันมีอยู่ในใจ สำหรับตำลาเรียนมาพอแล้วไม่เกิดสาราประโยชน์อะไรให้จะต้องตั้งหน้าปฏิบัติทางใจให้เกิดความเป็นความเห็นความรู้ขึนภายในท่านตั้งใจอย่างนั้นยิ่งนี้จะพักพวกเพื่อนฝูงออกไปไปพืชปฏิบัติไปลำพังองค์เดียวตามตำลาที่สันเต่าเอาไว้ท่านไปถึงสำนักหนึ่ง ถึงเป็นจำนักอรหันต์ทุกองค์อยู่ในวัดนั้นเป็นอรหันต์ตั้งแก่กระทั่งพระมหาเทระจึงกระทั่งเนนน้อยตายแถวแต่ก็มีกีโองเงก์อยู่เดียวกันพรรษาดีว่าพระเหล่านั้นสามาเณรเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์กันหมดท่านขอไปขอหมอบกายถวายตัวเป็นศิษ ก็จะศึกษาให้พระธํานักนั้นแนะนให้การปฏิบัติด้านของใจแข็งกล้ไว้ว่าแล้วก็ขอให้ขันเนตตาสงสารหมอกกายถวายตัวเป็นศิษย์แต่พระมหาเทระท่านเก่าเอ่ากับผมไม่ได้ศึกษาตำรับตำราอะไรแต่เขาใจ่องอาเรื่องทม มีความสามารถที่จะแนะนำถ้าในอาจารได้ถ้าในอาารก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาจบใส่ที่ดกมาผมไม่รู้ไม่เอ้ใจอะไรข้างๆที่ฉันเป็นอรังหันพันผูดอย่างนั้นถึงอ่อนวอนเท่าไรท่านก็เป็นรับให้เอาไปหถ้านโนเทละต่อไปลองดูบางที่ฉันมีความสามสารถที่จะแนะนำให้ ผมไม่มีอะไรที Mih ่จะแนะสอนโอ้โอ้เต่าตัวนี้ตามด้วยนะผมเนี่ยเกล็ดปากฐานุเถระเรื่อยๆลงไปไม่มีองค์ใดที่จะแนะสอนให้ไปถึงสามมะเรนน้อยตายแถวขึ้นก็เป็นอรหันเหมือนกันทุกปากที่ออกปากออกมาว่ามีความสามาร อันนี้สศิปัญญ า, ขาเขาไม่เรียนตำรับตำลานมะ่เพราะที่จะนี้นจะสอนท่านเป็นผู้ศึกษามามากทางตำรับตำลาแล้วก็ยกให้ถามมาเนียนก็คิดสงสารท่านอยากจะทดสอบว่าอาจารย์ใหญ่ขนาดนี้เรียนมามากขนาดนี้คิดถีมานะ้ะของท่านเป็นอย่างไร ท่านจะยอมศึกษาแสวงหาธรรมะจริงหรือ ห, า ห, า ห, ห, หักหอบหิวหอบถามจิตวิมาแล้วว่าเราเรียนมามากเราเป็นผู้ที่มีอายุมากเป็นสามากแล้วคงจะเรียนมาแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ละจิตวิมานะตั้งหน้าจะศึกษาจริงจังหรือสามเัเพืทอสอบดู ถ้าอย่างนั้นก็เ ก, ก่าสมหมก็อยากจะสอนลองดูอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะท่านอาจารย์จะยอมรับฟังหรือไม่อาจารย์โพชิลัก์ท่านก็รับทุกอย่างขอแต่ให้แน่สอนต่างหน้าต่างตามาเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติไม่ได้หอบหิวความรู้ วิถิมานะอะไรมานานี้ตั้งหน้าจะมาศึกษาขอจะให้แน่สอนให้จะ ย, ยินดีพอใจปฏิบัติตามถามมาเองก็เป็นอราหารันต์หาอุบายทดสอบดูธิถิมานะขอให้คล้องผ้าหนุ่งก็ะบงกจีวรซ้อนสังคาแล้วก็อผมต้องการ ม, มาอยู่นะั้นเยู่เลยตางสอนน้ำ อจรยาจะรไปเอาม า, มาให้ไม้มันลอยอยู่นั้นพอลงไปตะบงกีวจะเหียวเหียวหมผมหายสังตามเนี้ยคลอ ง, อ ง, องอชาไม่ใช่ไปตัดไม้ไผ่แหงอยู่กลางกอแตไม่เห็เอาผ้าตะบงกีวอนสังชาติออกตัดไหมแหงง็ตัดได้ครับไม่คิด เป็นอา บ, บัติช้างให้ไปท่านก็จะไปจริงๆไปจริงๆเพือจะขึ้นก็ไ่สามวัเนีก่อนยดผมหายยาได้แล้วทดสอบไปหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะรู้ว่าท่านสละพิธิมานะจริงจังหรือไม่หรือยังมีพิธิมานะอยู่หมวกสอนไปถ้ามีพิธีมานะก็คงจะไม่เอาไหน กขาถือว่าตัวเป็นภูใหญ่ตัวมีความรู้หมดทดสอบดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วญาตันธ์มีชิตใหม่นะตั้งหน้ามาศึกษาธรรมะจริงจังสามเนีก็เลยออกอุบายสอนให้ถึงจอมปวกมีจอมวกใหญ่จอมปวกหนึ่งแล้วก็มีเหียใหญ่ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่นั้นแต่รูของมันนีอยู่ หกรูด้วยซัำมันเข่ารูนั้นออกรูนี้อยู่เรื่อยคนที่ต้องการจะจับเหี้ยเหี้ยตัวนั้น <c oughs> จะต้องปิดรูทั้งหมดหารูนั้นขุดตามรูเดียวเข้าไปมันไม่มีที่ออกกว่าจะจับมันได้จะจับเหี้ยได้ท่านบอว่าเขียบ <c oughs> เลื่องของคนเราทวานทั้งหกใดแกตาหูจมูกลิ้นายใจใหญ่ใหญ่ถี่มันถินอยู่นั้นถ้าหากไม่จิดอยู่ข้องมันไว้มันก็จะต้องจับตัวมันไม่ได้คือขุดเข้าไปรูนี้เจดีย์ออกไปรูนั้นได้ไม่ทันมันถังกำหนดที่เจนาตาม ทำสอนสองสามมาเนี ón, ่ยเพื ok ่อป um. nee um. ิดฟางหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรูเสียงเินลดสัมผัสทางนอกพิจาราใจด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาไปพิจารณามายิดตึงไม่เคยสงบ พอสงบลงได้โทษภัยที่เกิดขึ้นกับจิตจิตกรุงต่างๆก็สซาดเข้าใจเป็นสามารถแก้ไขกิเลสตัญหามานาทิฏฐิจึงมีอยู่ในนั้นให้ตกออกไปหมดออกไปจนใจบริสุทธิ์ถึงมีมุดได้นี่โปธิลักษ ท่านปฏิบัติท่ในเยหอบได้หิวได้หาบปนหามตำลาไปปฏิบัติถึงเรียนมามากท่านก็ถอดถิ่งไปหมดไม่เลยไปเกี่ยวข้องกับตำรับตำลาอะไรดูภายในคือดูใจของตัวเพราะทุกคนมีใจถ้าวามันออกไปก็ออกไปทงางตาเห็นรูปที่หน่ายรักมันก็ชอบจิบจิบข้อง ขันะเกียรมันก็โกรธในสอดใจอารมณ์มันออกมันไม่ออกไปที่ไหนมันออกไปจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากใจนี้ท้งนั้นอารมณ์ของทุกคนเหมือนกันมันไปไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นทางมันออกคือมันออกไปจากที่นี้ เมื่อปิดเอาไว้ตาก่อทาเป็นตาบอดหูก่เป็นหูหนวกเจมูกอก่เป็นเจมูกตันไปเสียจะไปเกี่ยวข้องกับกลิ่นอะไรเลี้็เป็นเลี้ยงปิดในรับสัมผัสมุ่งปฏิบัติเพื่ออาเพื่อทาเท่านั้นไม่ได้ไปงมกับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสทางนอก ดูจิตดูใจภายในของตัวชั่วดีถี่มันปรุงขึ้นคิดขึ้นเกิดขึ้นใครทราบทุกระยะทุกเวลาต่างหน้าดูสั่งหน้ารักษาอารมณ์ใดถี่ชื่อดีถี่เสียเกิดมาไม่เกี่ยวข้องตัดทิ้งออกไปถ้าถี่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเถอยใจชัดเจน แล้วก็เป็นจริงในจิตในใจจนไม่มีอะไรท้องยสจ <ừ. S 2> นหมดเรื่องกิเลสของใจานสิ้นกิเลสภายในแล้วาสามนณรก็ทราบวาละจิตความเป็นไปของท่านมาทานหมดการละการ ม, มัมเพนเป็นพระ อาเซีขาบุคคลกชวนกันไปจา ก, กาสิมมัสการพระพุทธเจ้าถามถามาเนยเป็นไงลูกศิษย์ของเธอไปที่บัดเป็นไงถามมาเนยว่า อ, อาจารย์ของข้าพระองค์รู้สึกว่าท่านว่านอนสอนง่ายต่างหน้าต่างตางไปที่บัด อย่างเอาจริงเอาจังท่านหนมีิฏฐิมานะสมกว่าไปศึกษาหรือถามาเนียนตอบพระพุทธเจ้าแต่เมื่อถามโปธทิลัสโปธิลัส์ก็าอาจารย์ทองศาพระ อ, องค์มีเนตตามาหากไม่ได้ทันเป็นผู้นะสอนให้ษาพระ อ, องค์่กจะ ต้องโจมลึกลงไปไม่สาสตรว่าเมื่ อ, อไรจะผนทุกนี่คำของปัวิรัทคำของพระมาหาเทระกว่าสอนละสนเสริยกเนนนั่นเป็นอาจารย์เพราะได้อุบายปัญญาได้ธรรมะจากเนนที่แม่สอนส่วนเนนก็คือว่าอาจารย์เพราะท่านมี อายุมากมีพรรษามากเป็นพระสามเณรถึงจะบวชร้อยพรนษาก็าจะต้องกาบไหว้เทารพที่บวชในวันนั้นนีนักปราชเป็นอย่างนั้นพวกเรามันเรียนได้ศึกษาได้ก็หลงการศึกษาเราเรียนของตัวเองนั่นแหละ มันจิงยุ่งงุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันไหนมีอะไรที่จะำํำระจิตใจได้สำหรับำํำราหากเราไม่ภาวนาเราไห่สังเกตภายในแต่เราสังเกตภายในในตกไปเรียนมากอะไรครูอาจารย์สมัยปัจจุบันอย่างลวงูบัวเพียงยถาสัพที่ก็ไม่ได้แต่ก็มีคู้เลื่อมใสแต่กลาบไปว่า ไปสักการะบูชาผู้ที่มีจิตใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมไปไปถามท่านถามถึงด้านภายในถามถึงด้านจิตใจที่ประพฤติปฏิบัติไปท่านตอบให้แก้ให้สอนให้เรื่องของใจเป็นอย่างไรมันไม่เอยจิแตแต่แก่ต่างกันการปฏิบัติ แต่ตาหรับตําลานั้นมันเป็นอันหนึ่งมันไม่เหมือนกาปรปฏิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นในจิตในใจสมมติถูกต้างตาม <c oughs> เรื่องของตำลาหรือไม่มันก่อนเรนี่การสงสัยเพราะจิตใจของเราจิตเคยคล้องจิตคิ ด, ดปรุงต่างๆมันเป็นอย่างไรทราบมาทุกคนเมื่อปฏิบัติแก้ไขมันออก ไปได้โดยอุบายอันใดจริงนั้นแหละจะได้นำมาเนะนํนำถ้ำสอนคนผีดของสิ์คิดกุงเหมือนเราให้เขาเข้าใจในต้องไปหยิบไปยกจับนั้นคาถานี้มาตอบเขาเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรพูดความจริงสู่กันฟังเมื่อพูดจริงมีความจริงมุ่งความจริงแล้วจะต้องเข้าใจกัน มีการปฏิบัติอาจทำจริงจังมันเข้ามาภายในเข้ามาสู่กายสู่ใจของตัวมันหนื่อออกไปทางนอกส่วนตจำหรับจำลามันทางนอกศีลมันก็อยู่นู้นอยู่ําหรับําลานู้นการรักษาศีลศีลหักศีลแตกศีลสิบศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ด มันเลยมีแต่ตำรับตำลาแต่ศีลทีท่พระผู้่ประพื่ปฏิบัติท่านรักษานั้นมันอยู่กับใจของท่านศีลมีตัวเดียวคือมีสติยังมีสติตัวเยอสติวินโยดาตบโบคุมไปได้หมดพระวินยัยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์คุมไปหมด พอมีสติถ้ามมีสติจะเรียนไปจบกว่าฟังรักษาไม่ได้เรื่องของศีลรักษาอันนี้ไปเสียหายอันนั้นเลยไม่ทั่วไม่ถึงให้ถ้า ม, มีสติรักษาใจได้ จ, จะไปทำวาจาจะไปพูดมันออกไปจากที่ไหนมันไม่ออกไปจากใจหรือเมื่อใจทราบความปรุง ขึ้นภายหนอย่างทั้งฐานที่มันบ่อนขึ้นมาปรุงขึ้นมาทุกระยะทุกเวลาอะไรที่มันผิดมันจะต้องทราบถ้ามันผิดท่านจะไม่พูดไม่ทำจะไม่คิดจะไม่ตามเรื่องผิดผิดจะต้องละปล่อยที่พอเห็นว่าสิ่งนี้ ไม่มีคุณส่าสาระนำมาคิดไม่ได้ทำไม่ได้พูดก็ผิดคือ ท, ทำจิตทำใจให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนให้เสียเวลาไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้เหมื่อท่านรักษาายในรักษาใจที่มีสติสีนยิงบริสุทธ์ ไม่มีการสงสัยเพรจิตใจของท่านมีสติจะผูกคุ้มครองรักษาสมาธิความหนักเนี่ยของใจเป็นอย่างไรถ้าไม่มีสมาธิสติมันก็ไม่สมบูรณ์สมาธิมีขึ้นสติมันจึงสมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์ปัญญา ที่จะพิจารณาอะไรมันก็แ ย, ยบคายเข้าใจในจริงหนั้นนี่คือการปฏิบัติไมกล่องไปเรียนอันนั้นไปศึกษาอันนี้ให้ถั่วให้ถึงบา ง, บางคนบางคนยังเรียนไม่จบอภิธรรมไม่ยอมไปปฏิบัติหรอกไม่จบอภิธรรมแค่ ก, ก่อนยึงจะไปปฏิบัติถ้าไปปฏิบัติแล้ว กัวมันจะโงงใสเพราะไม่ทราบอะไรเป็นอะไรเนี่ยนอนเยียมเห็นมันจบเห็นมันปล่อยใจแคยก่อนใไล่จิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอยู่นู้นแต่คุกเงาอยู่นู้นหมายจิตมันอยู่ในที่ไหนนอนตำลาของจิตไม่ใ่หรือมันไม่ได้บกคิดเข้ามาแต่เรียนภายในถ้าปฏิบัติภายในมันปฏิบัติอย่างนั้นเข็นไปได้ เรื่องอุบายปัญญาหรือว่าท่าต่างๆถ้าหากปฏิบัติเป็นอัดเป็นธรรมแล้วมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นไม่ต้องไปคิดแต่สําลามันจะเป็นอย่างไรบางทีเขามาถามเราจะมีข้อไหนตอบมันไม่ต้องไปคิดไปปุ้งหาหากเราปฏิบัติ ถึงอาจถึงทาจริงจังจิตของเราเป็นอาจเป็นธทำไม่เป็นอย่างนั้นถึงแล้วต่อบเขาไม่ได้แล้วก็ไม่มีความเสียหายอะไรเพราะใจของเราบริสุทธิ์อยู่แล้วตอบเขาได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ว่าจิตของเราจะดียิ่งกว่า น, นี้ไปอีกมันไม่เป็นไปถ้าจิตเป็นมิมุต มันไม่อยู่ในวงของสมมติไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีการเสียาหายหรือได้เพิ่มเติมอีกจะต้องเห็นไปจากชัดเจนในผู้ประพฤติปฏิบัตินี่คือการปฏริบัติเขาถึงธรรนะแล้วคำถามของเขาถามมานั้นเขาสงสัยอะไรท่านก ย่อมพลาดมีมันถามเพื่อทดสอบคุ้มกันหรือมันถามเพื่อความของใจของมันจะต้องพลาดข้าตสอบนั้นไม่ต้องไปคนขว้างหาที่อื่นพอเขาถามข้ามสอบภายในมันจะเกิดขึ้นในเดี๋ยวไปขว้างหามาจากที่อื่นมาตอบเล่นเกียร์แต่ทานตอบไปแล้วไม่เสื่อมสารประโยชน์แห ท่านยิ่เคยมันคนไม่มีหัวใจก็ได้ท่านอยากจะตอบท่านก็ตอบไปไม่มีอะไรเสียหายนี่การปฏิบัติภายในการปฏิบัติจิตใจเพื่อเป็นอาจเป็นธรรมมีความสุขความสบายอย่างนั้นไม่หวั่นไหวใครจะดูหมิ่นยินงพาหัวลมปากของเขาใครจะสรรเสริญเยินยอว่เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรข้าบนี่คือปฏิบัติ ถึงอัิถึงทำ ม, มันสุขมันสบายมันหยือกมันเย็ น, นมันเห็นมันรู้ส่วนศึกษาต้องหลักตำรานั้นใบประกาศนิยบัตรฉันนั้นฉันนี้มีจริงสังคมเขาก็รับรองกันจะสอบได้ฉันนั้นฉนันฉนีนนน้แต่เรื่องที่เหลือปัญหามันไม่อยู่กับใบประกาศนิยบัตรนะ มันเข้มาได้ทุกเนี่ยทุกมุมใบประกาศนิยบัตรทิ้งจะจินนะขาดไปมันก็ไม่กลัวไรแต่คนนี้สอบได้ฉันนั้นฉันนี้ฉันจะกลัวมันไม่เข้าไปใส่ไปเกี่ยวจิเบตปัญหาอะไเป็นอย่างนั้นยิ่งมีใบประกาศหัวหุ้มเอาไว้หมกตัวไว้มันก็ไม่กลัวอะไรเรื่องจิเบตปัญหาภายในมันเกิดขึ้นได้ ยังสติเท่านั้นน่ะขอบไปคุ้มครองรักษาจิตใจมันจูงคิดเรื่องอะไรทราบเหลื่องข่อมันมันโกงแก่ใช้ได้ท่านท่าเขียนมีใบ ป, ประกาศมีาบัตรอะไรเหมือนโลกของเขาสิรับรองกันแต่เรากว่ารับรองเราวราบว่าทันกับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมาเรา แต่พิจาณาอย่างไรใจมันจึงตกจึงหายไปขาดไปจากทำเกี่ยวข้อยึดถือในสิ่งเห น, นั้นมันจะสรางในเรื่องของมันการปฏิบัติปฏิบัติเข้ามาใ น, นเพราะทำเป็นโอปณญิโกน้อมเข้ามาภายใ น, นทำเป็นสันธิจิตโกรู้ขวดดีทิดถูกในใจของตัว อทอดปฏิบัติมันสั้นทางปฏิบัติพบชาตมันสั้นเข้ามาไก้เข้ามาหมดเข้ามาถ้าไปเรียนตามตำรับตำลามันยืดมันยาวเรื่อยไปมันเลยไม่ทันใหเรียนมากขนาดไหนกหลงมากขนาดนั้นรู้หลงหลงพระพุทธเจ้า ในทรงสรรเสริญให้รู้จริงเข้าใจจริงเถอะนั่นไม่มีอะไรในโลกอันนี้ถึงเราเรียนไม่ได้อ่านไม่ออกก็ไมเสียใจให้ตัวเองเราโง่เง่าเต่าจีนอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้เกี่ยงความเปลี่ยนไปของจิตท้องใจไปจากในการปฏิบัติปจิบัต รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิ่เคยลุ่มหลงเคยยึดถื อ, อเกอะเชี่ยวเมื่อตามประเพื่อปฏิบัติมีสติเต็มที่มีปัญญาภายในแล้วจรงเรานัใน้องกำจัดทับไล่ลูกเสียงภายนอกแต่หลัจัดกำจัดทับไล่จิตใจที่ไปเกาะ ไปเกี่ยวไปยึดไปถือออกไปได้รูปก็ยังเป็นรูปเสียงก็ยังเป็นเสียงแต่จิตใจที่ไปลุ่มหลงยึดถือนั้นมันหมดไปมันหายไปมันสาบอยู่ภายในถอยใจอยู่ในตัวนี่คือการปฏิบัติท่าษาธนาปฏิบัติเพื่อเป็นพระคือผู้เผะเสด ถึงจะเรียนม า, มาขนาดไหนใจใจอะไรประเสริฐให้โรธโกนหลงยังหุ่มห่อจิตใจโรวโกนหลงยังเป็นเจ้าจอมข้องใจยังเป็นศาสะดา้อนใจอยู่ไม่มีคุณค่าสาละอะไรให้ปากพูดไปก็พูดได้เขาพูดตามตำลัดตำนาแต่ใจมันก็หลงอยู่ตลอด มันหนยมีแกไขอะไรให้ถ้าปัจจัยบาดภายในเข้าไปถึงจะอ่านไม่ออกอย่างเขาแต่เราก็อ่านออกจิตใจของเราว่วนเยลนี้มันติดข้องกับอะไรเราได้แกไขโดยอุบายอย่างไรจิตใจของเราจึงสงบถุกลงได้มันหน่อยมีทางช่องใสมันเข้าใจ คือการปฏิบัติภายในเหมือนกันกับเรากินเข่าปลาทราบรสชาตของมันของมันอริดอร่อยอยู่มันเปรี้ยวมันเผ็ดมันหวานมันเค็มอะไรเข้าใจพออยู่ภายนอกบางสิ่งบางอย่างตาเราเห็นอันนี้ดูเหมือนจะหวานดีแต่พอมาถูกปริ้นเข้าแถวนั้นมันไปอีกรถหนึ่งมันในเหมือน ทำขาดหมายของเราเดี๋ยวมีมากเทา่าไรชาหากักไม่เอาเข้ามาภายในมันก็ไม่อิ่มให้ของใสของเราไม่เกิดประโยชน์ให้นี่ําหรับําลาที่เราเรียนมาขอทํานองเดียวกันมันอยู่นอกมันจึงไม่เป็นประโยชน์ให้เหมือนกันกับอาหารอยู่นอกมันไม่อิ่มให้เพราะไม่ได้เอาเขามาภายใน ถ้าเ อ, าอมาภายในเอาใส่ปากเส่ท้องในจองมากเพียงจานช้อนจานแถวนั้นมันก็อิ่มนั่นเป็นยื่งเป็นถางกวาตามหากไปเอาเข้ามาภายในความหิวมันจะป้ากฏอยู่ตลอดเวลามีการศึกษาด้านนอกกับธรรมนองเดียวกันเหมือนกับอาหารที่อยู่นอก ปากนอกท้องท้องตัวถึงจะมีมากขนาดไหนก็นไม่สามารถที่จะอิ่มที่จะมีกำลังได้เพราะมันอยู่ภายนอกถ้ามันเข้ามาภายในในตองมากไม่เท่าไรแต่มันก็อิ่มมีทีมันสุขสบายไม่หิวการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติ กายปฏิบัติใจข่องตัวทำมากมายหลายหลวงขนาดไหนก็สอนเขมันจงดูภายในจงตั้งใจปฏิบัติทำเป็นอาจาลิโก้คือไม่มีการไม่มีสมัยในเรียกชาดท้านวันนะใครต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษากำหนดหจิตใจ ถ้าอยู่ในวงข้องอัดคล้องทมคนนั้นเน่ะมีวันมีเวลาที่จะประสบพบเห็นธรรมะของจริงเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นทําเชื่อในจิตในใจนั้นก็เชื่อมั่นลงไปเย่างเราพอพื่ปฏิบัติแค่นี้ กว่าจไปสบพบเห็นความสุขความสบายความสงบท้องใจถ้าเราปฏิบัติมากไปกว่านี้มันจะเป็นอย่างไรมีความละหะความถอนออกไปมากเท่าไรมันก็ยิ่งมีความสะอาดมีความเบาความสบายไปถึงนั้นเหมือนกันกับโรคภัยดีเลดเหมือนโรคมีมากเท่าไหรก็ทํากายให้ เดือดร้อนวุ่นวายทำกายให้เป็นทุกข์มากเท่านั้นเม่โรคมันหมดไปเท่าไรหาดออกไปเท่าไรหายไปมากเท่าไรกายมันกว่าสบายนี่ใจกว่าทำนองเดียวกันโรคือยกิเลสตัณหานง้นเบียดเบียนใจเราถือสองสั่งหนาส่างตาสำลักสาวสังโดยการมีสติ การมีปัญญาดูแลรักษาใจของเราเถอะ้ะความสงบความสุขของใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นถึงตำรับตำลาเราเจออ่านไม่ออกเราอ่านออกภายในเชือใจของเราไ่นของจิตคิดปรุงอย่างนอกนอกรบถือเชือยอากได้วุ่นวายในใจิตในใจ ามาให้เท่าไรก็ไม่เพียงพออยากจะไปผลไปจีไปลักไปขโมยของคนอื่นถ้ามีอาจมีทาภายในมันตัดออกไปได้มันลากออกไปได้มันถอนออกไปได้มันอยากมาทำไหมแต่กายของเราที่รักษาอยู่ทุกเช้าทุกเย็นมันก็จะต้องแตกสลายไปตามนาทีของมันจริงเหล่านั้น มันก็ทำนองเดียวกันไม่มีใครหอบหี่วหอบหามไปได้จะลงขนาไหนก็ลงไปเถอะยึดไปเถอะอันนั้นของครูอันนี้ของคูก็ของคูได้หรอหนูยังมีลมหายใจอยู่พอตายไปเถ่านั้นใครเล่าหอบหี่วหามไปได้ลูกล้านเหล่น เอาไปส่งให้ไหมไปส่งเอไปส่งใส่เต้าไฟไปส่งเลยหลุมฝังแ่านั้นเข้าใจเอาสมบัติอันนี้เนี่ยพวเราหามาไว้ฟอของเราหามาไว้เป็นสมบัติของท่านเราจะไดปมอบให้ท่านหมดจะไปมอบที่ไหนแต่กระดูกอยู่ในตัวกว่ายังเอาไปไหมล่ะสมบัติภายนอกมันจะมอบยืมเที่ยวไปที่ไหนนั่นก็ทราบ ภายในจิตในใจข้องตัวมันจึงละนันจึงถอนถ้ามันไม่ทราบไม่พอใจอย่างนั้นมันก็ไปยึดมั่นกเกาะเชียวอยู่เรื่อยไปนี่หมายถึงเรื่งปฏิบัติที่จะต้องเห็นชัดในจิต ใ, ในใจของตัวเกิดปัญญาสามารถตัดขาดจากอารมณ์ที่เคยวุ่นวายโยวข่องยึดถือ ถ้ามันไม่เกิดปัญญาอย่างนั้นเพียงเกิดจำตามสําหรับตํารามาอ่านที่เหลือตัญหามันไม่กลัวถ้ามันกลัวเพราะอ่านตำลับตำาเพราะเกิดจํำตำลับตำามใยเล่ามันจะคล่องอยู่ในโลกจะมาเรียนได้ตายเกิอดอีกเรียนเอาง่ายเรียนเอามากเอาฝนมันต้องเรียนมากเพียงชั่วโมองเยียวก็จบ ก็พอใจเยียนนิพพานเย็นมัคแตะจำได้แต่จิตใจมันเจนไปไหมล่ะมันอิ่มไหมมันพอไหมมันละมันถอนไหมต้องรูภายในธรรมะเป็นของภายในเป็นของสำาัะใจให้สะอาดแต่นั้นเราทุกคน ผู้มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกำจัดขับไล่เรื่องกิเลสตัญหาข้องใจอย่าไปดูภายนอกดูภายในดูจิต ด, ดูใจของตัวเองมันไม่สงบมันมีอะไรเข้ามารบกวนไม่เกี่ยวข้องมันสงบมันมีอะไรที่ทำให้สงบ มันจะต้องตวจตาที่เอนาภายในของตัวอยู่เรื่อยไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตกับใจที่ทาใจให้ยุ่งให้เยให้รักให้ชอบให้ติด้คองมัน้องเก่านั่นแหละเยอวอบเยอว่เียดเวยินดีเวายินร้าเยวสบายเกวเกิดทุกข์มันสอนเราอยู่ทุกข์ ระยะทุกขณะทุกเวลาธรรมะถ้าหากเราพิจารณาถ้าเราไม่พิจรารณาก็หลงมันอยู่อย่างนั้นเพราะเอ่ยปากอ่านธรรมะดูธรรมะไม่ยินครูอาจารย์เทศก็จึงว่าเป็นการฟังธรรมะแต่ธรรมะอยู่ในตัวไม่เคยฟัง แต่ฟังจากคนอื่นก็เป็นการเป็นเวลาบางทีก็ไม่ได้ฟังตามป่าธนาแต่ฟังจากจิจากใจของตัวมันฟังได้ทุกการทุกเวลามันเกิดขึ้นถ้ามันมีเชื่ อ, องมันไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเกิดขึ้นเราจะไปดูที่อื่นทำไมที่อื่น คนอื่นเขาทุกก็เป็นเรื่องของเขาขก็าสุขก็เป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาเฉืว่วก็เป็นเรื่องของเขาตัวของเราติดต้องดูเรื่องของเราสําระเรื่องของเราถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์จะต้องรักษาจะต้องสําระถ้ามันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขที่จะปรับรุงอีก มันเป็นเรื่องปัดจัดตังรู้เฉพาะในตัวของตัวเองธรรมะเปิดอยู่เสมอให้คนศึกษาให้คนที่ใจน้อยให้คนปฏิบัติคนที่เห็นธรรมะไม่เป็นเรื่องจำเป็นคนนั้นเป็นคนหมดสาระ คนที่ไมีมปัญหาธรรมะในตัวก็เป็นโมฆะบุคคลเป็นคนปะไมนมีอะไรที่จะจ่าเลื่อมใสศรัทธาฉะนั้นเราทุกคนผู้จ้างหน้าต่างตามาประพฤติปฏิบัติโอกาสเวลา <c oughs> ที่จะดูแลรักษาจิตใจมันพอดูแลรักษาได้ พากำหนดได้คิดปรุงอันอื่นยังมีโอกาสเวลาเกิดจะมาดูแลรักษาจิตใจอะไรมันหักห้ามเอาไว้ทำไมมันจริงไม่อยากตัพิษปฏิบัติเราจะเชื่อเรื่องกิเลสตัณหาเชื่อมาระยะยาวนานมันให้สุขให้สบายแค่ไหนสมปรารถนาหรือไม่ ถ้าไปเชื่อมันอย่างเดิมมันก็จะหลอกเลื่อยไปจนกระทั่งเข่าเต่าเมื่อไรนู่นแหละมันจึงจะหยุดหลอกเราแต่มันจะหลอกไปทางหน้าอีกนะเพราะภพชาติมันยังมีนักปฏิบตัติตามอั์ธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงจัง ท่านในกลัวโรคภายนอกยิ่งกว่ากลัวโรคภายในเพราะโรคภายนอกรักษาไม่หายตายมันกว่าหายถูกไฟไหม้ถูกฝังดินแล้วมันหายไปโรคส่วนนั้นโรคห้องใจคือโรคที่เดือดั่นหาท่านกลัวมากหากรักษาไม่หายพบชาติมีต่อไปมันจะต้องแผกเขาใจของเราอยู่อีกท่านจึงเรียกชำละ ริบปฏิบัติเราเราเป็นอย่างไรใช่ไมกลัวจะเป็นมแมลงเม่าเห็นไฟแดงๆขวาจว่าเป็นของยดีของดียิงขใสบิเขใส่ตีขาดเขาตัวตายแบบนั้นหรือผู้มีปติมีปัญญาผู้ที่รู้ธรรมรูแบบมแมลงเม่าอ่านเอาต ำ, ำ, ำ, ำลับตำลาเราเขาว่าตัวมี ส ต, ติปัญญาจิจียตัญหามันเผาอยู่ตลอด